ปัญากริจที่เป็นอกุศลวิบากปัญจาวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤตเป็นชนจากขวัวิญญาณที่เป็นวิบากสหรกรคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นโสตะวิญญาณที่เป็นวิบากสหรกรคด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคานาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรกรคด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตรด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตรด้วยทุกขมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุสลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกข์เอกคาตามนินรีทุกขหินสีและชีวิตินรีย์ก็เกิดขึ้น หรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัยยากฤษภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบคิริยาที่กระทบคิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกั น, น tha ความส <c oughs> วยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นน้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่สาราญทางกายความทุกข์ทางกาย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 อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าทุกขินสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตขันสีอายตนะสองท่าสองอาหารสามอินรี 3, สามภัษาหนึ่งกายวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่ง และธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยภาษเจตนาเอกราคตาและชีวิตินทรียหรือสภาวะธรรมที่อาศัยเกิดเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน์ นิชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิตปัญจวิ ญ, ญญาณที่เป็นอกุศลวิบาจกจบมโนโ ท, ท่าที่เป็นอกุศลวิบากสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นชนยัยมโนโ ท, ท่าที่เป็นวิบากสหรอโคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีโพธะเป็นอารมณ์หรือปรากฏอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น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 ขันศอายตนะสองทาสองอาหารสามอินทรีสามภาษ 1, ภาหนึ่งมโนทาหนึ่งธัมมายตนะหนึ่งธรัมรมทาหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอาาิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤิศสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนั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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤษเป็นไนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิปากสหรคคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุสุลกรรมในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอเบกขาเอกคตามนินทรสี อเปกขิน4ีและชีวิติน4ีก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงองาศัยเคนเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตรขันสีอายตนะสองทาสองอาหารสามอินสีสามผัสสะหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบากจบอภยากฤตที่เป็นอกุศลวิบากจบอภยากฤตที่เป็นอเหตุถูกกิริยา มโนท่าที่เป็นกิริยาสภาวะธรรมที่เป็นอภยกรยิเป็นไฉนมโนท่าที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมที่สหรโคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีผลทพะเป็นอารมณ์หรือปรารพอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตก วิจารอุเบกขาเอกกะคตามณินทรีอุเ บ, ข, เเบขินทรีและชีวิตินทรีก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤษขันธ์สี่อายตนะสองทาสองอาหารสามอินทรีสามภาษะหนึ่งมโนธาตุหนึ่งธรัมรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้น หรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเคยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิทสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงภาษะเจตนาวิตกวิจารณ์เอเขัคตาและชีวิตินทร์ศีหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเคนเกิด ข, ขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน นีเชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิตมโนท่าที่เป็นกริยาจบมโนวิญญาณท่าที่เป็นกริยาสหรคตด้วยโสมนัสสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตเป็นไฉมโนวิญญาณท่าที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมสหรคตด้วยโสมนัส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 ความที่จิตไม่สัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิริยนีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการปราร r ความเพียรทางใจความขมักขม่นความบากบั่นความขนขวายความพยายามความปุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย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 สมาธินีสมาธิภะละในสมัยนั้นนิชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอีงอาศัยเกิดเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตรขันสี่อายตนะสองท่าสองอาหารสามอินรียห้าภาษะหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่งธรร ม, มายตนะหนึ่ง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 มนโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมที่สะหรโคด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารฏอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกคตาวิรินสีสมาธินีมนินรี อุเบกินสีและชีวิตินสีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาสายเกิดเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัยยากฤิตรขันสีอายตนะสองทาสองอาหารสามอินรีห้าภัษาหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ่องอิงอาศัยกเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริตสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะภาษะเจตนาวิตกวิจารเอเกกตาเวรีนินสีสมาตินสีและชีวิตตินรีหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์ นี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาสหรฆด้วยอุเบกขาจบอัพยากฤตที่เป็นอเหตุุกะกเริยาจบกรรมวจรกิริยาจิตที่เป็นสเหตุุกะสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นชนะัย มโนวิญญาณธาตุที่เป evet. ็นกิร <ones clothing>. ิยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมสหร๊อกด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณสหร๊อกด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณสหร๊อกด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุช <acement throp> ักจูงสหร๊อกด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหร๊อกด้วยอุเบกขา สัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหระคดุอุเบขาวิปยุทธจากญาณสหระคดุอุเบขาวิปยุทธจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารฏอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยยากฤตอภยยากตมูลคืออโลภะ อพยากตะมูลคืออโทสะอพยากตะมูลคืออมโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤษตกลามาวจริรยาจิตที่เป็นสเสหุตุกะจบรูปาวจริยาจิต สภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไนพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบาของกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสังจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวิภศิ์เป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะละถึงอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤต สภาวะธรรมที่เป็นอภยญากลิเป็นไฉพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปากของกรรมแต่เป็นเพียงทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตัิยฌานบรรลุจตฌานบรรลุปถมฌานบรรลุปัญจฌานที่มีปฐวีกรสินเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภพญากฤษตรูปราวจรกิริยาจิตจบอรูปราวจรกิริยาจิตสภาวธรรมที่เป็นอภพญากฤษตเป็นไนพระขีนาศกเจริญฌานที่เป็นอรูปราวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปากของกรรม แต่เป็นเพียงทาเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่มานาสิการถึงนานาตัสัญญาจึงบรรลุจตุจชานที่สหรโคดด้วยอากาสาัญใจจตนสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นไนพระขีณาศพเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจรเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากกรรมแต่เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะกล่าล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทัชฌานที่สหรโคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญา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 เพราะก้าล่วงวิญญาณจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุจชานที่สหรกฎด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุข์และทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤตสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเป็นไนพระขีนาศเจริญฌานที่เป็นอรูปาวจร เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมแต่เป็นเพียงทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะกล้าวล่วงอาคินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทชฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตอพยกตะมูลคืออโละอภะอพยากตะมูลคืออโทสะอัพยกตะมูลคืออมโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตอรูปาวจรกิริยาจิตจบอพยากตะบทจบจิตุปาทกันจบ สรูปประกันอุเทศสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและไม่นับนึงในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่าใดเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล และไม่เป็นวิปากแข่งกรรมรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภพยากฤิตเอกมาติกาบรรดาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเหล่านั้นรูปทั้งหมดเป็นไนมหภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูต ร, รูปสี่นี้เรียกว่ารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุ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 ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสียขับบุคคลและอเศัขับุคคลเป็นปริตะเป็นกลามวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัตทุกไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกเป็นของไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกเป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันวิญญาณหกรู้ได้เป็นของไม่เที่ยงถูชราครอบงำ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 รูปไกลก็มีรูปใกล้ก็มีกินนกะทุกะจบวัตถุทุกะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจากขู่สัมผัสก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจากขู่สัมผัสก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จากขู่สัมผัสและถึงของสัญญาของเจตนาของจากขูวิญญาณก็มี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 วัตถุทุกกะจบอารมณทุกกะรูปที่เป็นอารมณ์ของจักระสัมผัสก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักระสัมผัสก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จากระสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขะวิญญาณก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขะวิญญาณก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของขานะสัมผัสของชิวหาสัมผัส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 รししูปที่เป็นโสตายตนะก็มี ร, รูป ah ที่มีเป็นโสตายตนะก็มีรูปที่เป็นคายตนะรูปที่เป็นชิวหายตนะรูปที่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่เป็นรูปายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นจัตไทยตนะรูปที่เป็นคันไายตนะรูปที่เป็นรสายตนะ รูปที่เป็นโพธพายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นโผพธพายะตนะก็มีอายตนะทุกกะจบทาตุทุกกะรูปที่เป็นจักขุท่าก็มีรูปที่ไม่เป็นจักขุท่าก็มีรูปที่เป็นโสตท่าก็มีรูปที่เป็นคาณะท่ารูปที่เป็นชิวหาท่ารูปที่เป็นกายะท่าก็มีรูปที่ไม่เป็นกายะท่าก็มีรูปที่เป็นรูปะท่าก็มี รูปที่มีเป็นรูปธาตุก็มีรู ป, ป <Bene> ท <preparations S 2> ี่เป็นสัทธาธาตุก็มีรูปที่เป็นคันธาตุรูปที่เป็นระศัตธาตุรูปที่เป็นโพธพธาตุก็มีรูปที่มีเป็นโพธพธาตุก็มีท่าตัวทุกขะจบอินทรียทุกกะรูปที่เป็นจักขุนสีก็มีรูปที่ม่เป็นจักขุนสีก็มีรูปที่เป็นโสตินรี่ขมีรูปที่เป็นคาณินสี่ รูปที่เป็นชิวหินสีรูปที่เป็นกายินรียก็มีรูปที่ไม่เป็นกายินรีก็มีรูปที่เป็นอิทินสีก็มีรูปที่ไม่เป็นอิทินสีก็มีรูปที่เป็นปุริสินสียก็มีรูปที่ไม่เป็นปุริสินสีก็มีรูปที่เป็นชีวิตินรียก็มีรูปที่ไม่เป็นชีวิตินรียก็มีอินทริยะทุกกะจบสุขุมะรูปะทุกกะ รูปที่เป็นกายวิญญาติก็มีรูปที่ไม่เป็นกายวิญญาติก็มีรูปที่เป็นวจีวิญญาตก็มีรูปที่ไม่เป็นวจีวินญาตก็มีรูปที่เป็นอากาศธาตก็มีรูปที่ไม่เป็นอากาศธาตก็มีรูปที่เป็นอาโปธาตก็มีรูปที่ไม่เป็นอาโปธาตก็มีรูปที่เป็นลหุตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นลหุตารูปก็มี รูปที่เป็นมุทุตารูกปก็มีรูปที่ไม่เป็นมุทุตาร color color ูปก็มีรูปที่เป็นกรรมยัตตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นกรรมยัตตารูปก็มีรูปที่เป็นอุปจิยะรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปจิยะรูปก็มีรูปที่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นชระตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นชระตารูปก็มี รูปที่เป็นอนิจจารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอนิจจารูปก็มีรูปที่เป็นคราวลิงการาหางก็มีรูปที่ไม่เป็นคราวลิงการาหางก็มีสุขุมรูปะทุ ก, กะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกะมาติกาจบ